นี่คือรายการธรรมะรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีแม่ข่ายกระจายเสียงจากทางกรุงเทพมหานครไปยังเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรรมะรับอรุณก็ที่รับฟังอยู่เป็นประจำก็คงทราบว่าในวันศุกร์ก็จะเป็นรูปแบบของการปาฏกคาธรรมซึ่งมีอาตมาพระไพบูลอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไหลโศก อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีจะได้มาให้ข้อมูลนะส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้คือในวันพรุ่งนี้และวันเมรืนนี้จะเป็นรูปแบบของการสากัะชาโดยมีคุณเตือนใจสินทุกนิกคมนะมาเป็นผู้ดำเนินรายการและในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่สำคัญด้วยเพราะว่าหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหนโศก็จะได้มาร่วมสนทนาธรรมสากระชากันด้วย ในวันพร น, น, นี้เรามีประเด็นที่สำคัญสำคัญในหลายเรื่องทีเดียวนในวันนี้เรื่องที่รามาจ่าให้ข้อมูลก่อนที่สําคัญเกี่ยวกับผู้ ideas, ที่ฟังธรรมอยู่ประจำเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับเราจะดูยังไงว่าคนคนนี้เป็นคนเป็นเพื่อนเราเนี่ยถ้าคนคนนี้เป็นเพื่อนเราเนี่ยจะเป็นเพื่อนดีหรือเพื่อนไม่ดีจะดูว่าคนที่อยู่ในที่ทํางานก็แล้วแต่อยู่ที่บ้านเพื่อนเพื่อนข้างบ้านอย่างเงี้ยนะเขา เป็นเพื่อนดีไหมหรือเป็นเพื่อนไม่ดีนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรพระเจ้าเคยตรัสไว้หลายเรื่องในเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลบ้างรรเรื่องการให้การบริจาคการชักชวนไปทําความดีอะไรต่างๆวันนี้เนี่ยจะลงรายละเอียดที่ลึกซึ้งไปเลยพระเจ้าบอกว่ามิตรที่ไม่ดีเนี่ยมีอยู่4อย่างนั่นคือเป็นคนที่ปอกลอกมิตรปอกลอกนะมิตรดีแต่พูดมิตรหัวประจบมิตรชวนชิบหาย มิตรไม่ดี4อย่างมีนะมิตรที่ดีสอย่างก็มีนะคือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์และมิตรมีความรักใกล้เราจะรู้ได้ไงคนที่เราครบอยู่ตอนเนี้ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะอาจจะมีเพื่อนหลายคนนี่คนนี้เป็นคนปลอกลอกหรือเปล่าหรือคนนี้เป็นคนดีแต่พูดนะคุณจะรู้ได้เนี่ยก็ต้องดูที่คุณสมบัติของเขาบริชจ้าบอกว่ามิตรปลอกลอกเนี่ยเป็นอย่างนี้ คือเป็นคนที่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวมีอะไรมันจะเอาหมดนะหรือข้อที่สองเป็นคนเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากในะนี้คือมิดปลอกลอกแล้วก็ไม่รับทากิจของเพื่อนคราวมีภยัยเวลามีภัยอะไรเกิดขึ้นไปพึ่งมันมันไม่ช่วยเลยนะนี่มิรปลอกลอกคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนี่คือมิรปลอกลอกนะส่วนมิร ด, ดีแต่พูดเป็นยังไงมิร ด, ดีแต่พูดก็คือ เก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศัยพูดแต่เรื่องอดีตเก่าๆไม่รู้มันขุดมาพูดอะไรนะนี่มีตีแต่พูด 2. อ, อ้างเอาแต่ของที่ยังไม่มาถึงมาปราศัยคือพูดสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะพูดเรื่องออ น, นาคตสัญญ า, อ ย, าอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อนี่ดีแต่พูดอันที่ 3. ส, สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้นะวาจาอะไรพูดลอยๆมันก็สงเคราะห์เรา สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้เวลาเรามีภัยมันช่วยเราอยู่แต่ช่วยสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเช่นว่าเราต้องการวัดอุณหภูมิอย่างเงี้ยเอาบารอมิเตอร์หรือว่าเครื่องวัดความดันมาให้มันก็ใช้งานไม่ได้อย่างนี้และข้อที่4สําหรับคนที่เป็นคนดีแต่พูดเนี่ยก็คือเมื่อเกิดกิจขึ้นนะแสดงความขัดข้องออกปากพึ่งไม่ได้เวลาเกิดภัยขึ้นหรือเราต้องการไปพึ่งเขาเนี่ย ข้ออ้างล้าน8นะมีแต่ข้ออ้างซ้ายขวาหน้าหลังอดไปช่วยไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ว่างอย่างนี้เกิดนี่มิตดดีแต่พูดอันนี้ที่อรมากําลังพูดอยู่เนี่ยให้ตัวเองดูพิจารณาตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนแบบนี้กับเพื่อนเราไหมนะถ้าคุณเป็นคนแบบนี้กับเพื่อนคุณเนี่ยต้องแก้ไขเหมือนกันอันที่3ามพระเจ้าพูดถึงมิตรที่ไม่ดีเนี่ยคือมิตรหัวประจกมิตรหัวประจกเป็นยังไงนะตามใจเพื่อนให้ทําความชั่ว จะทำชั่วก็คล้อยตามนี่มิดหัวประจบอันที่2คือตามใจเพื่อนให้ทำความดีจะทำความดีก็คล้อยตามอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าชั่วก็คล้อยตามดีก็คล้อยตามคือไม่มีความเห็นอะไรเลยนะไม่ได้บอกว่าดีดียังไงชั่วชั่วยังไงห้ามยังไงสนับสนุนยนะังไงนคล้อยตามเขาหมดอันนี้มิตรหัวประจบอันที่3ต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาถ้าเจอมิดแบบนี้มีเพื่อนแบบนี้อันนี้ไม่ใช่มิตรดี เป็นประเภทว่าเพื่อนหัวประจบอันที่4นั้นคือมิตรชักชวนในทางชิปหายคือชักชวนให้ดื่มน้าเมามีไหมเรามีเพื่อนแบบนี้ไหมเดี๋ยวชวนไปกินเหล้าเมาเบียอันนี้คือเพื่อนชักชวนกดในทางชิปหายเพื่อนชักชวนให้เที่ยวตามตรอกต่างๆในเวลากลางคืนเดี๋ยวไอ้ที่ที่มันกลางคืนนะเขาไม่ไปกันนะหรือที่ที่เป็นอักโครจรชวนไปกันจ้าง หรือย่างที่3ชักชวนให้ดูหมอระบและอย่างที่4คือชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ต่างแหงความประมาทคือชักชวนไปในทางไม่ดีเถอะนะถ้าชักชวนไปในทางไม่ดีเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเป็นเพื่อนที่ชักชวนในทางชิปหายถ้าเรามีเพื่อนสี่อย่างนี้นะคือเพื่อนปอกลอกเพื่อนดีแต่พูดเพื่อนหัวประจบเพื่อนชักชวนในทางชิปหายให้รู้ไว้เลยเพื่อนพวกนี้ไม่ดีให้ เลิกคบอย่าไปคุยกับเขาอย่าไปสนทนากับเขาเพราะว่าคบหรือสนทนากับคนพาลเนี่ยมีแต่ไม่ดีจะมีปัญหามาให้หรือถ้าตัวเราเองนะมีคุณสมบัติเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งในพวกนี้นะเวลาคนอื่นมาพึ่งสงเคราะห์ด้วยของหาประโยชน์ไม่ได้นี่เป็นพื่พวกที่ว่าดีแต่พูดนะหรือว่าต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาอันนี้พวกหัวประจบหรือว่าเดี๋ยวเขชวนไปดื่มเหล้าเมาเบีย น, นี่ชักชวนในทางชิบหายหรือว่า คบเขานี่เพราะว่ามีประโยชน์อันนี้เพื่อนปอกลอกตัวเองก็อย่าทํากับคนอื่นแต่ถ้าคนอื่นทําอย่างนี้กับตัวเราเรารีบเลิกคบกับคนนั้นซะส่วนมิตรที่ดีเป็นยังไงมิตรที่ดีมี4อย่างพนะระพุทธเจาพูดถึงมิตรที่มีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็มิตรแนะประโยชน์แล้วก็มิตร ม, มีความราักใคร่4อย่าง4อย่างนี้เราจะดูยังไงเอ้ยคนไหนเพื่อนคนไหนของเรานะเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข เพื่อนคนไหนเป็นคนแนนประโยชน์เพื่อนคนไหนมีความรักใกล้เพื่อนคนไหนมีอุปการะเราจะดูอย่างไรพระราชาบอกอย่างนี้บอกว่าเพื่อนที่มีอุปการะเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่4อย่างอย่างแรกเนี่ยคือรักษามิตรผู้ประมาทแล้วสมมุติเราเนี่ยนะประมาทประมาทยังไงบางทีเราหลงไปดื่มเหล้าหลงไปทำไม่ดีคิดไม่ดีด่าคนนู้นคนนี้บางทีมันหลงไปบ้างนะคนนี้คอยมาเตือนสติเราเออเพื่อนแบบนี้ดี คือรักษากเราผู้ประมาทนะแล้วก็รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทนะในบางครั้งมีความเกี่ยวข้องด้วยทรับนะในเวลาที่ประมาทไปเขาก็ช่วยกันรักษามิตรทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วก็อย่างที่3มคือเมื่อมีภัยก็เป็นที่พักพึ่งพํานักได้เป็นที่คอยพึ่งพิงพึ่ ง, งอาศัยได้ในกลาวมีภยัยคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยแล้วเราเป็นที่พึ่งของเขาในกลาวมีภัยเนี่ยโอ้โหมัน เขาเรียกว่าจำกันไม่ลืมนะเป็นที่พึ่งได้ของเพื่อนแล้วก็อันที่4เนี่ยเมื่อมีกิจจำต้องทำเกิดขึ้นเพิ่มให้สองเท่า น, นคือหมายความว่าสมมุติเราเคยสงเคราะห์เขาอย่างนี้เขาสงเคราะห์เอากลับด้วยของเป็นสองเท่าอย่างนี้นะคือเมื่อมีกิจจำเป็นต้องทำเกิดขึ้นเพิ่มให้เป็นสองเท่าอันนี้เป็นคนที่มีอุปการะมิตรอย่างนี้เป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดี อันดับที่สองที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขคนแบบไหนเพื่อนแบบไหนที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเราจะดูอย่างไรนะพระพุทธเจ้าให้ดูด้วย4คุณสมบัติอย่างนี้เป็นคนที่บอกความลับแก่เพื่อนเรามีความลับอะไรเนี่ยเราก็เปิดเผยให้เขาทราบแล้วก็เป็นคนที่ปิดความลับของเพื่อนนะเราอาจจะมีเพื่อนรักบางคนที่เราบอกความลับแก่เขามีความลับอะไรของเขาเราก็เก็บไว้ปิดเอาไว้อย่างนี้ เป็นคนที่เรียกว่าพึ่งพาอาศัยได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันบ้างนั้นเถอะอันดับที่3นะเป็นคุณสมบัติของคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้ก็คือไม่ละทิ้งในเหตุอันตรายในเวลาที่มีเหตุอันตรายมี ม, อมออ็อบมีอุท ก, กภัยหรือมีภัยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ทอดทิ้งกันดูแลกันแล้วก็อย่างที่4แม้ชีวิตก็สละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้ใช้เขาเรียกว่าตายแทนกันได้เลยบ้างนั้นเถอะ นะเพื่อนอย่างนี้คือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขหาได้ยากนะแต่ถ้ามีแล้วเราควรจะคบไวนะ้ควรจะรักษาไว้ให้เป็นเรียวรกว่ากัญญาณมิตรของเรา เ, เรื่องของมิตรแหนประโยชน์อย่างที่3านะพุทธเจ้าตรัสถึงมิตรแหนประโยชน์มิตรแหนประโยชน์เป็นยังไงนะคือห้ามจากความชั่วเราจะทําความชั่วอย่างนี้เราบางทีเราเทําความไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีเขาเข้ามาเตือตนเรานะห้ามเราจากความชั่วอันนี้เป็นคนแหนประโยชน์ ให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอย่างที่4ี่คือบอกทางสวรรค์ให้จะเห็นได้ว่าเรื่องห้ามออกจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรทํำกับลูกนะเขาทํากับเราหรือเราควรทํากับเขาแสดงว่าเราเป็นผู้แนะประโยชน์หรือเขาแนะประโยชน์เราแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยอันนี้ตรง ก, กันกับหน้าที่ของสมณะที่พึงปฏิบัติต่อเครือขัด นะให้ฟังธรรมให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยรู้บอกเรื่องราวต่างๆให้แล้วก็ชี้ทางสวรรค์อันนี้เป็นมิตรและประโยชน์เราจะเห็นได้ว่าเพื่อนเราบางคนเนี่ยคอยห้ามเราจากสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าบอกเรื่องราวที่เป็นกุศลเป็นทางสวรรค์บอกว่าเออตรงนี้เขามีสร้างกระถิ่นทำทานสร้างโบสร้างน้ําทําบุญเขาบอกเราเนี่ยแสดงว่าคนนี้เป็นคนแหนประโยชน์อย่างที่4นะคือในส่วนของฝ่ายที่เป็นมิตรดี นะคือมิตรมีความรักใครมิตร <c oughs> มีความรักใครดูอย่างไรนะไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อนสมมติถ้าเรามีเศรษฐกิจไม่ดีนะบา ง, <c oughs> บงทีชีวิตคนเราเนี่ยมันขึ้นมันลงในช่วงจังหวะที่ชีวิตของเราลงเนี่ยเขาก็ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเราหรือเราก็ไม่ควรยินดีด้วยความเสื่อมของเขาเราจะเป็นมิตรที่มีความรักใครกันอย่างที่2ในลักษณะของมิตรมีความรักใครก็คือยินดีด้วยความเจริญของเพื่อน นะไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อนแต่ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อนคนเขาได้ดีเราต้องยินดีกับเขาคนเขาเสื่อมเขาไม่ดีเราอย่าไปยินดีกับเขานะเราต้องเห็นใจกันดูแลกันซึ่งกันและกันอย่างนี้ถึงจะมิตรมีความรักใคร่คุณสมบัติข้อที่3ของความเป็นผู้มีความรักใครค่เป็นมิตรมีความรักใคร่ก็คือห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อนสมมติมีคนมากล่าวโทษเรานะเพื่อนคนนี้ห้ามคนนั้น มีคนคนหนึ่งมากล่าวโทษเราให้เพื่อนเราฟังและเพื่อนคนนี้เขาก็ห้ามคนนั้นจากการกล่าวโทษเราแสดงว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนที่มีความรักใคร่กับเราให้ดูอย่างนี้ได้คุณสมบัติข้อที่4ของมิตรมีความรักใคร่ก็คือสรนเสริญคนที่สรนเสริญเพื่อนใครสรนเสริญเราเนี่ยเพื่อนคนนี้เขาก็สรนเสริญคนนั้นอย่างนี้นี่คือลักษณะของมิตรที่มีความรักใคร่ ต้องถามท่านผู้ฟังอย่างนี้บอกว่าในชีวิตของคุณนะ่ะในชีวิตของท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่เคยเจอไหมคนปอลอกหลอกเคยเจอไหมคนดีแต่พูดเคยเจอไหมคนหัวประจบเคยเจอไหมคนชักชวนในทางชิบหายถ้าเคยเจอให้หลีกออกห่างอย่าไปคบกับเขานะอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาด้วยนะแต่ให้อยู่ห่างๆนะให้อย่าไปยุ่งกันคืออสวนาจะาระหนังว่างั้นเถอะแล้วตัวเราเอง ก็อย่าเป็นคนปอกลอกอย่าดีแต่พูดอย่าทําเป็นหัวประจบแตชักชวนในทางชิบหายคนจะสมบัติทราบกันไปนแล้วอย่าทําอย่างนั้นในขณะเดียวกันในชีวิตของเราเคยเจอไหมคนที่มีอุปการะกับเราเพื่อนที่มีอุปการะกับเรานะรักษาเราเวลาประมาทขอเป็นพืชคอยเป็นผู้ที่พึ่งพิงพึ่ ง, งอาศัยได้ในเวลามีภัยนี่เป็นคนมีอุปการะเคยเจอไหมคนที่มีมิตรที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเก็บความรับของเรา นะไม่ละทิ้งในยามมีอันตรายแม้ชีวิตก็สละให้ได้เคยเจอไหมนะเพื่อนที่แนะประโยชนนะ์ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังบอกทางสวรรค์ให้ตั้งอยู่ในความดีหรือเคยเจอไหมคนที่มีความรักใครนะไม่ยินดีในความเสื่อมของเรานะใครพูดสรรเสริญเราก็สรรเสริญคนนั้นถ้าเคยเจอเนี่ยให้คบคนนั้นแหละคนนั้นจ้เป็นเพื่อนดีให้คบกับคนนั้นไวนะ้คนนั้นเขามีคุณสมบัติของความเป็นกลาลยนานมิตร แล้วตัวเราเองก็เหมือนกันนะให้เป็นคุณสมบัติให้มีคุณสมบัติ4อย่างนีนะ้ให้เป็นเพื่อนที่มีลักษณะ4อย่างนี้กับคนอื่นรักษาคนอื่นที่ประมาทนะรักษาความลับของเขาห้ามเขาเสียจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีนะยินดีในความสุขความเจริญของเพื่อนอย่างนี้เราถึงจะเรียกว่าเราเป็นเพื่อนดีกับคนอื่นนี่คือลักษณะของบุคคลนะในลักษณะของกลานามิตร ในในัยยะแรกที่ถ้าเราเจอคนที่เป็นลักษณะนี้เราควรจะคบหาสมาคมด้วยอันนี้คือนัยยะที่1เรื่องของกะะัลยาณมิตรเนี่ยพระุทธเจยังพูดถึงอีกนัยยะที่2คือว่าคนไหนที่มีศีล น, นมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาคนแบบเนี้ยเราควรจะพูดคุยสากัจฉาสนทนาคบเข้าเป็นมิตร อาจจะไม่ต้องมีคุณสมบัติถึง4อย่างที่เป็นคนมีอุปการะร่วมทุกข์ร่ว ม, วมสุขแน่ประโยชน์มีความรักใคร่อย่างนี้ครบถ้วนก็ได้แต่ขอให้เขาเป็นคนมีศีล น, นะมีการให้การบริจาคมีจาระมีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีปัญญาในการปล่อยวางปัญญาในการชํำระ ก, กิเลสไม่ใช่ปัญญาทางโลกอย่างประเด็นจบด็อกเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆงั้นนะเป็นปัญญาที่สามารถปล่อยวางความทุกข์ทั้งมวลได้อย่างนี้ เรียกว่าก็เป็นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรแล้วกัลยาณมิตรอย่างที่สามกัลยาณมิตรอย่างที่3พระพุทธเจ้าก็ให้เอาครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งก็ได้ที่เรามีความเลื่อมใสมีความกลัวมีความเลื่อมใสมีความกลัวและความละอายที่ตั้งไว้อยู่อย่างเต็มที่นั้นในภิกษุรูปนั้นเราก็อาศัยท่านผู้นั้นเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรของเราได้ การเรีมิตรในในลักษณะนี้ก็คือว <gambling. S 1> ่าคอยศึกษาข้อที่ดีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจากท่านเหล่านี้ครูบาอาจารย์ของเราในยะที่3มเนี่ยที่พระองค์ทรงได้สอนไว้เนี่ยก็คือรวมถึงตัวพระองค์เองด้วยให้เอาตัวพระองค์เองเนี่ยตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการเรีมิตรก็ได้หรือตัวครูบาอาจารย์ภิกษุรูปไหนที่เรามีความศรัทธาความเลื่อมใสเอาท่านเหล่านั้นเป็นการเรีนมิตรก็ได้เพราะตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้ว นะั่นเือแต่พระธรรมที่ทิ้งไว้ให้ตัวพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้วหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆก็ล่วงลับดับขันไปบ้างก็มีนะัเราก็หาครูบาอาจารย์องค์อื่นก็ได้นะในในครูบาอาจารย์ที่เรามีความเลื่อมใสให้เป็นกัลยาณมิตรได้นะนี่คือกัลยาณมิตรในลักษณะที่3ามกัลยาณมิตรในลักษณะที่4นะพระพุทธเจ้าก็ให้เอาอริยมรคมีองค์นี่แหละเป็นกัลยาณมิตร กระะารเิมิตที่เอาอาริยมรรคมีองแปดเนี่ยก็คือเรื่องของเอาตัวธรรมะเนี่ยแก่นธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าพูดถึงมรรคมีองคปดเนี่ยเป็นคําสอนที่เรียกว่าไม่ว่าคําสอนไหนๆทีพ่พระองค์คอยตรัสเคยพูดเคยสอนมากมายถึง45ป่ปีเนี่ยนะก็รวมอยู่ในอริยมรรคมีองแปดเพระเาพพระฉะนั้นก็คือให้เอาธรรมะที่พระเจ้าสอนบอกไว้แล้วนี่แหละนะให้เป็นกนาลเรียนิมิตก็ได้เพึ่งตนพึ่งทำจําได้ไหมตอนที่ พระสารีบุตรปริญิพานเนี่ยจุนทสนัสามเณรถือเอาบริขารของพระสารีบุตรมานะมีรองเท้าสังขติบาดเนี่ยวิ่งมาเลยบอกว่าพระสารีบุตรปริญิพานแล้วพระสารีบุตรปริญิพานแล้วพระอนุ์ก็เศร้าโศกเสียใจายมากนะพระพุทธเจ้าก็เตือ น, รอนอพระอนุลบอกว่าฮ่าพระอนุ์ให้พึ่งทนพึ่งทำนะให้พึ่งสิ่งที่เป็นอธรรมคือมรรคแนี่แหละเอามรรค8เนี่ยเป็นกริรยนิมิตรได้เพราะฉะนั้นนี่คือสี่นยยะ ของความที่กัลยาณมิตรหรือเพื่อนดีน่าไล่ไปเลยตั้งแต่เพื่อนคือที่เป็นตัวตนเป็นคนนี่แหละนะเป็นครวาาที่มีลักษณะของเป็นมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความระใกล่อย่างนี้เป็นกัลยาณมิตรได้หรือในยักที่สองก็เป็นตัวบุคคลเหมือนกันเป็นตัวบุคคลเป็นคนเป็นเพื่อนเรานี่แหละที่มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็เป็นกัลยาณมิตรได้ หรือในยะที่3เป็นครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงค์ก็ได้นะที่เรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสให้เอาท่านบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรในการตามศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ได้หรืออย่างที่4โอ้โหในชีวิตฉันบางคนบอกไม่หาหาไม่ได้เลยเพื่อนดีนี่รอบตัวมีแต่คนแบบไม่ดีนะเวลาไปวัดอะไรต่างๆก็ไม่มีอยู่คนเดียวทํำยังไงก็ให้เอาธรรมะนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรให้เอา อารมากักมีองค์8นี่แหละเป็นกัลยาณมิตรเรื่องกัลยาณมิตรเนี่ยทำไมอาตมา ถ, ถึงเอามาพูดเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกเป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะตอนนั้นพระ อ, อนอนท์บอกว่าโหกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเครื่องหนึ่งของพรหมจรรย์นะเพราะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึง2 อ, อย่างคือเรื่องของกัลยาณมิตรกับการโยนิโสมนสิกานโยนิโสมนัสิกานี่เป็นภาษาบาลีแปลว่ า, าการทํำในใจโดยแยบขาย พระพุทธเจาตรัสว่าคนที่มีกัลยาณมิตรมีการทําในใจโดยแยบคายเนี่ยจะทํานิพพานให้แช้งได้พระพุทท่านพระอา น, น, นุนก็เลยสรุปบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเครื่องหนึ่งของพรหมจรรย์นะสิพระพุทธเจ้าบอกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พระอา น, นุนรู้ไหมกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะเพราะว่าถ้าเรามีมิตรดีแล้วเนี่ยจะทําศีลที่เราไม่เคยรู้นะให้ให้เรารู้ได้ทําได้ทําสมาธิที่เราไม่เคยมีให้มีเนี่ยมีได้ ทำปัญญาที่เราไม่เคยรู้เนี่ยให้รู้ได้ให้ให้แจ้งได้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้อันนี้ก็คือกัลยาณมิตรจึงเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์กัลยาณมิตรเองเนี่ยพระพุทธเจ้ า, ายังบอกอีกว่าเป็นรุ่งอรุณของอริยมรรคมีองค์แรุ่งอรุณของอริยมรรคมีองค์8หมายความว่าอย่างไรอ่าพระพุทธเจ้ า, าเคยตรัสถึงก่อนบอกว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นมาเนี่ยก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ย ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดเคยสังเกตพ ร, ระอาทิตย์เนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยตีสี่ตีห้อย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาฟังรายการธรรมารับรุ่นอย่างนี้นะลองสังเกตดูประจันท์เอ่อพระอาทิตย์เวลาก่อนที่มันจะขึ้นมาเนี่ยจะมีแสงสีทองกับแสงสีขาวแสงสีทองกับแสงสีขาวเนี่ยตอนแรกๆที่อาตมาศึกษาคําสอนรพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็เลยโทรไปถามกรมอุตุนิยมวิทยาโทรไปถามเขาผมเออแสงสีทองกับแสงสีขาวเนี่ยมันคืออะไร กรมอุตุนิยมวิทยาเ ข, า, ขาตอบมาบอกว่าแสงสีขาวคือแสงเมื่อเวลาที่พระอาทิตย์ทำมุมกับแกนของโลกที่12องศาจะมีแสงสีขาวเกิดขึ้นที่ขอบฟ้าแสงสีทองคือเมื่อดวงอาทิตย์ทำมุมกับขอบโลกที่6องศาจะมีแสงสีทองเกิดขึ้นพระบรเจบอกว่าเมื่อเวลามีแสงสีทองกับแสงสีขาวเกิดขึ้ น, นให้มั่นใจเลยว่าพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นมา เหมือนกันถ้าคุณมีกัลลานมิตรมีมิตรดีเนี่ยให้มั่นใจเลยว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยจะทําส ม, มาสมาธิให้แจ้งได้เนี่ยให้มั่นใจได้เลยทําได้พอทําสัมาสมาธิให้แจ้งได้แล้วเนี่ยจะมีเขาเรียก no, นิพิทา ค, คือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นได้นะเออหมายความว่าพอมีสา ม, มาสา ม, มาธิแล้วเนี่ยจะรู้เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยทำได้ให้มั่นใจได้เลย ถ้าเรามีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยจะมีการรู้เห็นตามที่เป็นจริงได้พอมีการรู้เห็นตามที่เป็นจริงได้แล้วเนี่ยจะสามารถปล่อยวางได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้พอปล่อยวางได้แล้วเนี่ยจะทำนิพพานให้แจ้งเนี่ยจะทำวิมุตติญาณัศนะทำนิพพานให้แจ้งได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในการที่เรามีกัลยาณมิตรคือคนที่ต้องการไปสวรรค์ไปนิพพานเนี่ย ทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้เนี่ยคุณต้องปล่อยวางได้ก่อนคุณจะปล่อยวางได้คุณจะมีปัญญาได้คุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงคุณจะเห็นตามที่เป็นจริงได้คุณจิตจะต้องเป็นสมาธินะมีสัมมาสมาธิจะมีสัมมาสมาธิได้เนี่ยคุณต้องมีสมาถถทิฏฐิจะมีสัมมาถถทิฐิได้เนี่ยจะต้องมีกัลยณาณมิตรเพรา ะ, ะนั้นกัลยณาณมิตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นทั้งหมดของพระธรรมจันทรท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ ได้รับรู้ข้อมูลถึงความเป็นกาลิเลียมิดแล้วถ้ามีคําถามหรือว่าสิ่งที่จะแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นทราบหรือให้อาตมาท ร, ราบหรือให้บุคลากรของรายการธรรมารับรุณไม่ว่าจะอยู่หน้าไมาหรือหลังไมนะหน้าไม่ก็จะมีคุณเตือนใจสินธุวนิกหลวงพ่ อ, พอดอรสะอาดอาตมาพ ร, ระภัยบุญเองคุณดวงใจมาตยานุมาตรหรือว่าบุคคลอื่นๆหรือว่าบุคคลที่อยู่หลังไม่ก็แล้วแต่นะ ก็ให้เขียนเข้ามาทางจดหมายก็ไดนะ้ที่รายการธรรมรับรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะหมายเลขรหัสปรษณีาย์สนย1หน0่ 13, 10, 300, 10, 400, หรือที่เว็บไซต์ก็ได้นะที่เพียวธรม .com p u r e d h a m m a ก็จะได้รับเอาข้อมูลเหล่านั้นมาแบ่งปันให้ท่านฟั ง, ท, งท่านผู้ฟังท่านอื่นหรือว่าบุคลากรของรายการธรรมาราบรุนได้พัฒนาปรับปรุงรายการให้เป็นที่ต้องการแก่ท่านผู้ฟังต่อไปแล้วก็ให้ติดตามฟังรายการธรรมาราบรุนต่อไปเพราะว่าเราก็จะคอยปรับปรุงรายการของเราให้ดีขึ้นนะด้วยการเปลี่ยนรูปแบบของรายการให้ทันยุคทันสมัยเนื้อหาข้อมูลต่างๆก็จะอิง ลักษณะของพุทธวจนะนะในการที่เอาพุทธวจนะคือสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยให้ท่านผู้ฟังมาได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในโอกาสสุดท้ายของรายการธรรมราบรุนในวันนี้นะก็จะขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เอาข้อมูลเหล่านี้นะเรื่องของกาแลนามิตรไปปฏิบัตนะิเราสรุปกันมาว่ากาแลนามิตรเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ลักษณะ นัคือ 1. เป็นตัวบุคคลในลักษณะที่เป็นความมีอุปการะมีความร่วมทุกข์ร่วมสุขมีการแนะประโยชน์มีความรักใคร่ในยะที่สองก็เป็นคนเป็นตัวบุคคลเหมือนกันนัเป็นคนที่มีศีลมีศรัทธามีสากะมีปัญญาในยะที่สเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้หรือในยะที่4นัเป็นตัวเนื้อหาธรรมะคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังรายการธรรมารับุรุษในเช้าอย่างนี้ ได้เอาข้อมูลต่างๆไปปฏิบัติก็จะทำให้ตัวของเรานั้นเป็นมีสรีมงคลตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรอบข้างได้วันนี้ก็เห็นว่าสมบูรณ์แก่เวลาลก็ขอจบการแสดงธรรมแต่เพียงเท่านี้เทิเรินพรอน